ฉันนั้นชอบเธอขนาดไนไม่ถึงกับเสียวหนึ่งที่เธอคิดเอาไว้รู้ไหมเวลาฉันใกล้เธอทีไรถ้าพยุดหายใจทุกที่ไม่รู้เธอจะรู้ไหม เช้าจะสายใบหรือเย็นหรือตอนไหนเธอมีอะไรเรียกฉันเลยจะไปหาปฉันพร้อมจะ s ต a n d by ทุกเวลาเมื่อไรที่เธอ อยากดูแลแบบที่คุณรักเขาทำเหมือนจะพอเป็น